จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสาวที่15เมษายนพุทธศักราช2560เป็นวันที่ติดวันหยุดเด็กต่อเนื่องเิ่มในเทศการสงกานยานโยเล ย, ย, ย, ย, ย มีเวลาว่างที่จะมาวัดเพื่อที่จะได้มาศึกษาวิธีที่จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขหลาสจากทุกภัยอันตรายต่างๆความทุกข์ส่วนใหญ่ของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติไม่ได้เกิดจาก ภัยข้างนอกบ้านความทุกข์ของพวกเราเกิดจากคนที่อยู่ร่วมกันเพราะคนที่อยู่ร่วมกันมักจะทําอะไรให้เราไม่สบายใจกันให้เราทุกข์ใจกันเราทําให้เขาทุกข์ใจเขาทําให้เราทุกข์ใจเพราะเราไม่รู้จากวิธีที่จะทําให้เรา ให้ความสุขกันนั่นเองเราจึงต้องอาศัยมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีที่เราจะให้ความสุขแก่กันและกันแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์แบบนี้เราสามารถกําจัดได้ความทุกข์ที่เกิดจากพวกเราให้ความทุกข์แก่กันและกันความทุกข์เหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องมี ความทุกเหล่านี้เราสามารถกำจัดได้เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องมาฟังผู้รู้ฟังพระพุทธเจ้าฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะรู้ ว่าวิธีการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างไรสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามีกันถ้าเราอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์ต่อกันก็คือให้เรามีพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่คือคุณธรรมสี่ประการที่เราควรจะเจริญ ให้เกิดขึ้นภายในใจแล้วเราจะใช้คุณธรรมทั้งสี่ในการติดต่อกับบุคคลต่างๆมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆด้วยปัจจัยสี่แล้วรับ<ม>รองได้ว่าทุกคนจะมีแต่ความสุขทุกคนจะไม่มีความทุกข์จากเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกด้วยกัน ถ้าจะมีความทุกข์ก็เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นฝนน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรืออุบัติภัยตามท้องถนนแต่ถ้าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะไม่มีความทุกข์กันถ้าเราทุกคนมีพรหมวิหารสี่คือหนึ่งมีความเมตตาสองมีความกรุณา สามมีความมูริตาและสี่มีความโอเบคานี่คือคุณธรรมสี่ประการที่จะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันโดยไม่มีความทุกข์ต่อกันและกันดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษาว่าเมตตากรุณามุดิตาโอเบคาเกิดขึ้นได้อย่างไร เมตตานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะไว้สามสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งสัพเพสัตตาอเวราหงตุคือขอให้เราไม่เววไม่จองเวนจองกรรมกับสรบพรพสัตว์ทั้งหลายใครทำอะไรเราเราจะยกโทษให้เขาเราจะไม่ถือโทษโกดเคืองเพราะว่า การจองเวรจองกรรมนี่เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมถ้าเขาทำร้ายเราเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะมาทำร้ายเราอีกก็จะทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาจนในที่สุดก็ต้องฆ่ากันไปตายจากกันไปแล้วก็ไม่หมดเวลาชาติหน้ากลับมาเจอกันอีกก็จะมาทำร้ายกันอีกเนีย่ยสังเกตดู คนที่เราเจอกันแล้วไม่ชอบที่หน้ากันเนี่ยแสดงว่าเคยมีเวนมีกรรมกันมาเคยไม่ชอบขี้หน้ากันพอเห็นหน้ากันมันจะจำได้ถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นหน้าคนเก่าแต่กิริยาอาการนี่เป็นคนเก่าการพูดการจาการกระทามอะไรนี้เป็นคนเก่าเพียงแต่สวมหน้ากากใหม่หน้ากากก็คือร่างกาย ใจเป็นผู้กระทำกรรมต่างๆแล้วใจเวลาทิ้งร่างกายอันเก่าไปก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะเอานิสัยแบบเก่าไปใช้กับร่างกายอันใหม่เหมือนกับเวลาที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเปลี่ยนแต่เสื้อผ้าแต่เราไม่ได้เปลี่ยนนิสัยของเราเราเคยโลภเคยโกรธเคยหลง เคยทำอะไรเคยชอบอะไรเคยเกลียดอะไรเราก็จะทําอย่างนั้นต่อไปอย่างนั้นเวลาที่เรามาเจอกันนี่เราจึงจําได้ไม่ได้จําที่หน้ากาแต่จําที่พฤติกรรมการพูดการจาการกระทําอะไรต่างๆนี้มันจะบอกเราว่าคนนี้มีอะไรกับเราหรือเปล่าถ้ามีอะไรไม่ดีต่อกันก็จะรู้สึกไม่ชอบที่หน้ากัน ถ้ามีอะไรที่ดีต่อกันก็จะชอบกันคนเราเวลาพบปะกันนี้จะมีสามลักษณะชอบกันหรือไม่ชอบกันหรือกลางกลางเฉยเฉยถ้าเฉยเฉยก็แสดงว่าชาติก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีอะไรต่อกันมาจึงรู้สึกเฉยเฉยแต่คนที่เราเห็นแล้วชอบกันนี้แสดงว่าชาติก่อนเราเคยชอบกันมา ถ้าเจอใครที่เกลียดชังกันนี้แสดงว่าชาติก่อนเราเคยเกลียดชังกันมาแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถสร้างสร้างมิตรได้เราสามารถเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตรได้ด้วยความเมตตาด้วยการให้อภัยถ้าเราเจอคนที่เราไม่ชอบที่หน้าแล้วก็พูดอะไรทําอะไรให้เราโกรธให้เราเสียใจ พระพุเจ้าก็บอกว่าอย่าไปจองเวรจองกรรมให้อภัยเฉยๆเขาพูดอะไรก็เขาก็พูดไปแล้วเขาทำอะไรมันก็ทำไปแล้วถ้าเราไม่ไปตอบโต้เดี๋ยวเขาก็หยุ่เองเราก็ยุ่แล้วต่อไปเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราแล้วเราก็จะไม่ต้องมีปัญหากับเขาอีกต่อไปต่อไปชาติหน้าเจอกันนู่ วันพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนก็ต่างคนก็ต่างเฉยๆกันไปแต่ถ้าเขาว่าเราเราว่ากับเขาตีเราเราตีกลับเดี๋ยวกเข า, ข, าข่าเราแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตามฆ่าเขาในภพหน้าชาติหน้าต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดพนะระพุทธเจ้าบอกเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรคือด้วยการให้ความเมตตาให้อภัย สเพสัตตาอเวราโหตุแล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขต่อไปเจอหน้ากันก็จะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความโกรธความเกลียดต่อกันละกันเพราะเขาก็ได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเพราะชาติก่อนเราคงไปทำเข้าไว้ก่อนชาตินี้เขาก็เลยต้องมาเอาคืนงั้นเราต้องยินดีให้เขาทำเราเพื่อมันจะได้หมดเวณหมดกรรมกัน แล้วต่อไปเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ต้องมาคอยหวาดระแวงต่อกันละกัน <Yeah. S 1> นี่คือเอเวลาหนตุเป็นการให้ความเมตตาต่อกันอันที่สองอัปบบยาปัชชาโหนตุ <c oughs> ก็คืออย่าไปเบียดเบียนกัน <c oughs> <ๆ>เวลาเราทำมาหากินหรือเราทาอะไรอย่าไปให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของเรา อย่าไปหากินหรือหาเงินหาทองด้วยการทำผิดศีลคืออย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์ของผู้อ<ม>ื่นอย่าไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อ<ม>ื่นอย่าไปโกโหกหลอกลวง<ม>อย่าดื่มสุรายาเมา<ม>เพราะการกระทาเหล่านี้จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ<ม>ื่นแล้วเมื่อเราสร้างความเดือดร้อนให้กับเขา เขาก็จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราต่อไปดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีความเดือดร้อนก็ต้องไม่เบียดเบียนกันทุกคนต้องรักษาศีลกันมีศีลห้าแล้วทุกคนจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่ได้อยู่อย่างเดรัจฉานเดรัจฉานนี้เขาไม่มีศีลห้า สัตว์นี้เขาต้องอยู่แบบระมัดระวังหวาดกลัวเพราะเขาอาจจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ตัวอื่นได้สัตว์นี้เขาหากินอยู่ด้วยการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่าเขาแต่เราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดราาัจฉานเพราะเรามีปัญญาที่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าการทําอะไรทําให้เกิดความสุข การกระทําอะไรทําให้เกิดความทุกข์เมื่อเรารู้เราก็ไม่ทําในสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเสียหายก็คือการเบียดเบียนกันการทําบาปการไม่รักษาศีลอันนี้จะทําให้เราเบียดเบียนกันแล้วจะทําให้เราอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขถึงแม้เราจะมีข้าวของเงินทองมีเงิน มีอะไรมากมายแต่เราอยู่กันอย่างหวาดระแวงหวาดกลัวสู้อยู่แบบไม่ค่อยมีอะไรดีกว่าถ้าหาอะไรมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องหามาด้วยการทำบาปอย่าทำดีกว่าได้ไม่คุ้มเสียก็ได้มาแล้วเราก็ต้องหวาดระแวงหวาดกลัวกับคนที่เราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขากลัวว่าเขาจะกลับมา จองละจองเวรจองกรรมกับเราแล้วเวลาตายไปยังต้องไปรับผลกรรมเอกด้วยเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงหน้ากากของเราตัวเราแท้จริงคือใจผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีร่างกายเลยไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ทาไว ถ้าทำบาปก็ต้องไปเกิดในอบายที่มีอยู่สแห่งด้วยกันไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุ ร, รกายหรือไปตกนรกอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปาท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดรัจฉานาเดรัจฉานเขาไม่รู้เวลาเขาทำบาว่าเขากำลังทำบา เพราะเขาไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเขาเขาไม่สามารถที่จะคิดได้ด้วยตนเองว่าเป็นการกระทำบาปถ้าคนทำบาปด้วยความไม่รู้ก็จะไปเป็นในรชาชานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอันนี้ก็จะไปเป็นเปรตแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัว กลัวว่าคนอื่นเขาจะทำมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็ไปเป็นอสูรกายแล้วถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นฟันต่อฟันตาต่อตาถ้าใครทำร้ายเราเราก็ต้องทำร้ายเขาหรือเขาทําอะไรให้เราไม่พอใจเราก็ฆ่าเขาเลยถ้าทําบาปด้วยความโกรธเกลีย อาฆาตปราบารนี้ก็ต้องไปนรกนรกก็จะเป็นที่ที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความรุ่มร้อนของจิตใจอสูรกายก็เป็นที่ที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวเปรตก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความหิวความอยากได้แบบไม่รู้จักจบจากสิ้นทุกข์ของเดรัจฉานก็คือไม่รู้ว่าจะถูกกัดกินเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ นี่คือถ้าถ้าเราไม่มีความเมตตาเราเบียดเบียนกันถึงแม้ว่าขณะที่มีชีวิตอยู่เราอาจจะร่ำรวยอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เราอยากมีอยากได้อะไรเราก็ได้แต่ได้มาด้วยการทําบาปเวลาหมดชีวิตแล้วนี่เราต้องไปรับผลของการกระทําบาปต่อไปซึ่งมันเป็นโทษร้ายแรงกว่าประโยชน์ที่เราได้รับ จากการมีเงินมีทองมีอะไรต่างๆสู้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าแต่ไม่ได้ทำบาปเพราะถ้าไม่ได้ทำบาปตายไปก็ไม่ ไ, มไปอบายตายไปก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์เลยนี่คือความเมตตาประโยชน์ของการในความเมตตาต่อกันและกันอยู่ร่วมกันก็สุขสบายไม่ต้องมากังวลว่าใครจะมา ทำร้ายเราไม่กังวลว่าใครจะมารักทรัพย์ของเราถ้าทุกคนในโลกนี้มีความเมตตารักษาศีลห้าได้เราก็ไม่ต้องมีกุญแจไว้ล็อกบ้านไม่ต้องมีกุญแจไวเ้เก็บข้าวเก็บของเพราะจะไม่มีใครจะเอาของของใครไปจะไม่ต้องมีตํารวจมาจับคนทําผิดไม่ต้องมีสารไว้มาตัดสินคดีต่าง ไม่ต้องมีคุก ม, มีตารางมาขังคนที่ทำผิดกันนี่คือประโยชน์ของการมีความเมตตาจะทำให้โลกเราอยู่กันอย่างมีความสุขอีกลักษณะหนึ่งของความเมตตาก็คือสุขีอัตนานปลิฮะรันตุคือขอให้สรรพทั้งหลายมีความสุขรักษาตน การที่เราจะให้คนอื่นมีความสุขเราทาอย่างไรเราก็ให้ความสุขกับเขาเช่นเรามีเงินทองมีข้าวของที่เหลือใช้เหลือกินที่เราเอาไปแจกออกไปแบ่งให้คนอื่นได้เราก็เอาไปให้กันให้ทุกคนมีความสุขไม่ใช่หรือเวลาที่มีคนให้เงินเราเวลาที่คนให้ของเรานั่นละวันงานมันเกิดเขาก็เอาของไปให้กัน ไปอวยพรวันเกิดกันให้ความสุขต่อกันปีใหม่ก็ซื้อของขวัญให้กันเราไม่ต้องรอวันเกิดเราไม่ต้องรอวันปีใหม่เราสามารถทําทุกวันให้เป็นวันปีใหม่เป็นวันเกิดได้ถ้าเรามีกําลังทรัพย์หรือเฟือพอที่จะให้ความสุขแก่ผู้อื่นได้ขอให้ทําไปเถิดแล้วเราจะมีความสุขอาในสองของการให้ความสุขแก่ผู้อื่น ก็จะทำให้เราเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและขณะที่หลับจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเพราะไม่มีใครโกรธเราเกียดเรามีแต่คนรักเราแล้วเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ไปสู่สุคติ นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีความเมตตาทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วดังนั้นขอให้เราพยายามมาสร้างอเวลาหงตุให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันอัปยปัชาหงตุไม่เบียดเบียนกันสุขีอัตนานปะริหารันตุให้ความสุขแก่กัน นี่คือพรมวิหารสี่ข้อที่หนึ่งคือความเมตตาข้อที่สองที่เราควรที่จะมาให้กันก็คือความสงสารเวลาเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเราช่วยเหลือกันได้ก็ควรที่จะยื่นมือช่วยเหลือกันเช่นเวลามีไฟไหม้น้ำท่วมเราก็หาข้าวหาของมา ช่วยเหลือกันบริจาคข้าวของเงินทองให้คนที่เขาเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้ความกรุณาให้ความสงสารแต่การช่วยเหลือกันนี้ก็ต้องมีเหตุมีผลอย่าช่วยเหลือแล้วทำให้ผู้ที่เราช่วยเหลือนี้เสียหายช่วยเหลื อ, อยังไงที่ทำให้เขาเสียหาย ก็คือช่วยแบบที่ทำให้เขาไม่ช่วยตัวเองก็อยากได้อะไรก็ามาขอเราเราก็ให้เขาถ้าเราให้เขาไปเรื่อยๆ เ, เขาก็จะติดใจเขาก็จะไม่ไปหาเองเขาอยากได้อะไรก็ามาขอเราโบราณเขาสอนว่าอย่าให้ปลาเวลาคนมาขอปลาอย่าให้ปลาเขาแต่ให้เขารู้จักวิธีหาปลาพาเข้าไป ห า, หาปลาให้เขารู้จักวิธีหาปลาพอเขาหาปลาของเขาได้แล้วต่อไปเขาก็จะไม่ต้องมาขอเราเช่นเดียวกับเงินทองเวลาคนเดือดร้อนมาขอเงินขอทองก็สอนวิธีหาเงินหาทองให้กับเขาสอนวิธีรักษาเงินทองให้กับเขาถ้าเขารู้จักหาเงินหาทองรู้จักเก็บเงินเก็บทอง รู้จักใช้เงินใช้ทองให้เหมาะสมกั บ, ก, บกับรายได้ของเขาเขาก็จะไม่มีการขาดเงินขาดทองเขาก็จะไม่ต้องมารบ ก, กวนมาขอเงินขอทองกับเราแต่ถ้าเข้ามาขอเราให้เขาไปเดี๋ยวหมดเขาก็มาขอใหม่นี่คือเรื่องการช่วยเหลือต้องดูว่าช่วยเหลือในลักษณะไหนเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องช่วยเหลือ ก็อคือในเรื่องเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เขาเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็อาจจะต้องช่วยเหลือให้เขามีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพชั่วคราวแต่ไม่ได้ให้เขาตลอดเวลาแล้วก็หางานให้เขาทำถ้าเขาไม่มีงานทำถ้าพอช่วยหางานให้ได้ก็หางานให้เขาทำพอเขาได้งานแล้วเขาก็จะได้ช่วยตัวเขาเองได้ นี่คือเรื่องของความการลณาต้องต้องดูด้วยเหตุด้วยผลอย่าช่วยเหลือแล้วทำให้เขาเสียคนอย่างลูกเนี่ยมันชอบขอนู่นขอนีน่ถ้าเราให้เขาอยู่เรื่อยๆ เ, เขาก็จะเสียนิสัยได้เราต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เขาขอนั้นจะเป็นประโยชน์กับเขาหรือไม่เช่นขอไปเรียนพิเศษเียก็ให้เขาไปเรียนขอไปเล่นเกมนี้ก็อย่าให้ไป ถ้าเราให้เขาทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษต่อไปเขาก็จะไม่รู้จักวิธีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาจะรู้แต่วิธีทําสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็จะทําให้เขาเดือดร้อนเสียหายต่อไปได้หลังจากที่เราไม่อยู่กับเขาแล้วดังนั้นเราต้องรู้จักช่วยเหลือช่วยเหลือให้เขาช่วยตัวเองได้ เช่นคนล้มลงก็ช่วยเขารุกขึ้นมาให้เขาเดินต่อไปแต่อย่าไปอุ้มเขาอุ้มเขาเดี๋ยวเขาสบายเขาเป็นไม่อยากจะเดินอยากจะให้เราอุ้มอย่างเด็กๆญาติโยมบางคนนี่เลี้ยงลูกโตเป็นควายแล้วยังอุ้มอยูนะ่ความจริงเดินได้แล้วควรจะให้เขาหัดเดินเองได้แล้วให้เขาพึ่งตัวเองพรังนี้เขาเลี้ยงลูกแบบนี้เคยเห็นฝรั่ง มีเด็กอายุสองสามขวดเขาก็ไม่อุ้มละพอเดินได้เขาก็ให้เดินพอล้มลงเขาก็ไม่ไปไม่ไปเดือให้เขาลุกขึ้นเพียงแต่บอกเขาให้ลุกขึ้นให้เขาหัดลุกขึ้นเองเนี่ยเขาถึงช่วยเหลือตัวเขาเองได้เขาจะได้ไม่ต้องมาคอยพึ่งเราไปตลอดถ้าเราให้เงินเขาไปเรื่อยๆต่อให้เขาเรียนจบเขาก็ไม่อยากจะไปหางานทำถ้าเรายังให้เงินเขาอยู่ เนื่องอะไรไปทำงานให้เหนื่อยอยู่เฉยๆมีมีเงินใช้ไปเที่ยวไปกินไปเล่นไม่ดีกว่านะแล้วต่อไปเขาจะเดือดร้อนเพราะเงินทองที่เราให้เขาต่อไปมันก็ตะว่งหมดถ้าเขารู้จักแต่ใช้ไม่รู้จักหาเขาก็จะต้องเดือดร้อนต่อไปถ้าไม่มีคนให้เงินทองกับเขานี่คือเรื่องของอการช่วยเหลือกันความสงสาร อย่าเป็นคนใจไม้ไส้ระกมเห็นใครเขาเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ควรจะช่วยเหลือกันแล้วข้อที่สก็ให้มีมุติตาให้มีความยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาเห็นใครเขาได้ดิบได้ดี <c oughs> ก็อย่าไปอิจฉาริษยอย่าไปขัดขวางให้เขาได้ดิบได้ดีไปเพราะถือว่าเป็น <c oughs> เป็น เป็นบุญของเขาเขาทำความดีเขาก็เลยได้รับผลดีถึง แ, แม้ว่าเขาจะได้ดีกว่าเราเช่นบางทีเราทำงานร่กกวมกับเพื่อนฝูงบางคนก็ตากอยาก จ, จะเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่แต่เราเราไม่ได้จเจริญเหมือนเขาบางทีเราก็จะน้อยใจหรือบางทีเราก็อาจจะอิจฉาและอาจจะมองเขาในแง่ร้ายว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลย เราทำแพ่เป็นแทบตายเรากลับไม่ได้อะไรเขาไม่ควรได้เลยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะหาวิธีกั่นแกล้งเขาก็ได้แทนที่เราจะมีมิตรเราก็กลับจะมีศัตรูแต่ถ้าเขาได้ดีได้ดีได้เลื่อนขั้นได้เงื่อนเองินเดือนเราก็เพียงแต่แสดงความยินดีไปเท่านั้นเองเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเขาก็ยังเป็นเพื่อนกับเราเราก็ยังเป็นเพื่อนกับเขาต่อไปได้ ขอให้คิดว่าชีวิตของคนเรานี่มันเหมือนกับการแข่งรดกันมันก็มีผัดกันนำหน้าบ้างเขาเร็วกว่าเราบ้างเราเร็วกว่าเขาบ้างแต่ให้ถือว่าเป็นเหมือนกีฬาเป็นเรื่องปกติต้องมีแพ้มีชนะกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องมาโกรธเกลียดกันมาเป็นศัตรูกันเพราะเราก็อยู่ร่วมกัน ทุกคนก็อยากจะมีความเจริญก้าวหน้ารุง่งเรืองเหมือนกันถ้าเวลาเราเจริญก้าวหน้าแล้วเขามามีความยินดีกับเรามันก็ทำให้เราสบายใจแต่ถ้าเขาแสดงอาการโกรธเกลียดอิจฉาริษยากับเราเราก็จะไม่สบายใจดังนั้นขอให้เรามีมุติตาต่อกันละกันใครได้ดีบได้ดีก็ให้แสดงความยินดี ถึงแม้เขาจะได้แฟนออกไปก็ให้แสดงความยินดีก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาแฟนใหม่ก็ได้แฟนไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้มีคนเป็นร้อยล้านพันล้านจะหาคนใหม่คนไม่ได้หรือยังไงก็ถือว่าเขาไม่ได้เป็นเนื้อคู่ของเราก็แล้วกันได้มาแล้วอาจจะต้องมาทะเลาะกันในภายหลังยังไม่ได้ก็ดีแล้วขอให้เป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรไปก็แล้วกัน ให้บุญกรรมจัดสรรไปถ้าเขาจะเป็นคู่ของเราเขาก็จะมาหาเราเองถ้าเขาไม่ได้เป็นคู่ของเราต่อให้เราดึงเข้าไว้อย่างไรเขาก็ไม่อยู่กับเราอยู่ดีแล้วเราจะมีความสุขเวลาที่เราเสียแฟนไปแทนที่จะมีความทุกขแทนที่จะมีศัตรูเราจะมีเพื่อนมีมิตรประการสุดท้ายคือคอธรรมที่เราควรจะมีก็คือเบกขา โอเบงขาก็คือการทําใจให้เราเฉยๆบ้างถ้าเราทําอะไรถ้าเราแผ่เมตตาไม่ได้สแสดงความกรุณาไม่ได้สแสดงมู้ิตาไม่ได้เขาไม่รับเราก็ต้องเฉยๆเช่นให้ของขวัญเขาเขาก็ไม่เอาก็าไม่อยากจะเป็นเพื่อนเราเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาเขาก็ไม่ให้เราช่วยเหลือเขาได้ดีบได้ดีสแสดงความยินดีเขาไม่ต้องการ เราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธเขา <Yeah. S 1> เพียงแต่ทำใจเฉยๆว่า mm. เขากับเราคงไม่ได้ร่วมไม่เคยทำบุญกันมาก่อน mm. แต่เราอย่าไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันอย่างน้อยตอนนี้เขาเพียงแต่ไม่ชอบเราไม่เย็นดีกับเราแต่ถ้าเราไปทำร้ายเขา mm. เขาก็อาจจะโกรธเกลียดเราขึ้นมาได้ ยา น, นเวลาเรายาจะช่วยเหลือใครอยากจะทำอะไรให้กับใครแล้วเขาไม่ยินดีก็อย่าไปเสียใจคิดเสียว่าดีซะอีกไม่ต้องทําอยู่เฉยๆดีกว่าดีกว่าต้องทําแล้วเราจะได้ไม่ไปทําอะไรที่เสียหายบางทีเราน้อยใจแล้วเราก็ไปว่าเขาก็ได้ไปด่าเขาหรือไปโกรธไปเกลียดเขาแล้วแทนที่จะเป็น มิตรกนารที่จะอยู่กันอย่างเป็นสุขก็จะกลายเป็นศ <c oughs> ัตรูต่อกันเราต้องมีอุเบกขาเวลาที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไม่สามารถแผ่เมตตาได้ไม่สามารถให้ความสงสารได้ไม่สามารถให้มุดิตาต่อกันได้ <c oughs> ก็เฉยๆไปทําใจเป็นอุเบกขาแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เสียใจเราจะมีความสุข และเราจะไม่ไปสร้างความทุกข์ความเสียใจให้แก่ผู้<ม>นี่คือวิธีการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข<ม>อยู่กันโดยอย่างไม่มีความทุกข์ด้วยการมีเมตตากรุณามุดิตาและอุเบคา<ม><ม>ก็ขอให้ท่านจงนำเอาคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ไปพิจิตพิ จ, จารณาและไปปฏิบัติและ เพื่อประโยชน์ความสุขคือความล่มเย็นเป็นสุขที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรีรัตนตรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกแม่นายทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ